วัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมพึงประพฤติ ช, ชอบการประพฤติ ช, ชอบในเรื่องนั้นดังนี้ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิม 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2.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 ไม่พึงต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้น 9. ไม่พึงตาหนิกรรม 10. ไม่พึงตาหนิภิกษุผู้ทํากรรม 11. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปักตัตตะภิกษุ 12. ไม่พึงงดปวารณาแก่ปักตัตตภิกษุ 13. ไม่พึงทาการไต่สวน 14. ไม่พึงเริ่มมนุวาราธิกร 15.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 เพราะปัจจัยนั้นด้วยคิดว่าคนอย่าได้รู้จักเรา26ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกจจตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย27ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกจจตตภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย 28. ไม่พ hmm, ึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกจัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย29ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกจัตตาภิกษุ เว้นแต่ม <weet Smash and cookies> ีอ <sage send picture Metroid> ันตราย30ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย3าไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุ เว้นแต่ไปกับปกตะทตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสที่ไม่มีภิกษุเว้น แ, แต่ไปกับปกระทตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสามสิบสามไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่สถานที่ที่มิใช่อาวาสไม่มีภิกษุ เว้นแต่ไปกับปกตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 34. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 35. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกจัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย36ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกจัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 37. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกระทตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 38. ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่ออาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกรัทตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย39ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุ ไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกจัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสีไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อวาตที่มีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตัตตาภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 41ไม่พึงออกจากอาวาหสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตจตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 42. พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย เว้นแต่ไปกับปกักกตตะภิษุเว้นแต่มีอันตราย43ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดที่มีพิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีพิกษุซึ่งมีพิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกกตตะภิษุเว้นแต่มีอันตราย44พึงออกจากอาวาดที่มีภิษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตตะภิกษ <45. S 2> ุเว้นแต่มีอันตราย45พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย46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 ถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ50พึ่งออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ5้อพึ่งออกจากอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุ ซึ่งมีภิกษุเป็นสมาณสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ52พึ่งออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาณสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ53 ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบังเดียวกันกับปกตะทตะภิกษุ 54. ไม่พึงอยู่ในสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกันห้บหไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกัน56เห็นปกตะทตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ57พึงนิมนต์ปกตะทตะภิกษุให้นั่งห้ 58. ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปัตัตตภิกษุ59เมื่อปัตัตตภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง60เมื่อปัตัตตภิกษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ61ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ62เมื่อปัตัตตภิกษุเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง 63. เมื่อปกตัตะภิกสุเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรม 64. ถึง74ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกสุผู้อยู่ปริวาสกับภิกสุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมที่มีพรรษาแก่กว่ากับภิษุผู้ควรแก่มานัต S 1> <S 1> กับภิกษุผู้ประพฤติมานัทกับภิกษุผู้ควรแก่อัภานไม่พึงอยู่ในสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อัภานไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อัภานไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อัยเจ็ดส เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อับพารนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง76เมื่อภิกษุผู้ควรแกอาาร่อับพานนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ77ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อับพาน78เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อับพานเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง 79. เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อัภานเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมภิกษุทั้งหลายถ้าสง ม, มีภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมเป็นรูปที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัด สงมีภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมนั้นเป็นรูปที่ยี่สิบพึงอัรรยากมนั้นไม่จัดเป็นกรมและไม่ควรทำวัด79ข้อของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมจบมูลายะปฏิกัตสนารหวตตะจบ